อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเมื่อเปิดสถานีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายการธรรมารับอรุณซึ่งก็เป็นรายการแรกของสถานีเลยนะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณแล้วก็เป็นแฟนประจําของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคงจะทราบกันดีละค่ะว่าเราจ ะ, ะต้อนรับเช้าทุกวันด้วยสิ่งที่เป็นมงคล สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท่านผู้ฟังนะคะทําให้ท่านนั้นเนี่ยมีจิตที่สงบสว่างแล้วก็เป็นสุขได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าหากว่าเราได้น้อมนําเอาคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้มาปฏิบัติกันอย่างจริงจังนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนค่ะเมษายนนี้ก็วันที่หนึ่งเมษายน วันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะคะก็ถือว่าเป็นวันขึ้นต้นเดือนใหม่ละแล้วก็เดือนนี้ก็จะมีวันหยุดมากมายมีพระราชพิธีพระราชทานเพลินพระศพด้วยแล้วก็ยังมีเทศกาสกลสงกรานอะไรต่างๆมากมายนะคะก็คิดว่าท่านผู้คนทางบ้านคงจ ะ, ะต้อนรับเดือนเมษายนกันอย่างมีความสุขทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังวันที่6กเมษายนก็ยังเป็นวันที่เราจะ เรียกว่าเป็นวันจักรีนะคะก็เป็นวันรุ่งขึวันที่พระบาทสเมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเป็นวันที่รฤกษ์ของมหาจักรีบรมราชวงศ์ด้วยนะคะถ้าเรามาพบกันในเช้าวันนี้นะคะซึ่งเป็นเช้าวันที่1เมษายนนั้นเนี่ยดิยฉันก็ขอนำท่านผู้ชมทางบ้านค่ะกลับมากาบนมัศการพระอาจารย์ไพบูลอภิบุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้มือการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธวจนะ ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชทุคุลหลวงพ่อดรสะอาดที่เป็นพสูท่านเป็นเจ้าอาวาสที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษลูกค้ามากมายทั่วประเทศทีเดียวนะคะก็ขอนําทุกท่านมากราบนม่อการพระอาจารย์ไพบูลยพิพุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาเจียมาน <c oughs> สาธุเจ้าค่ะเมื่อวานนี้คือเช้าเมื่อวันเสาร์นะเจ้าค่ะ่ น, นอยมได้ได้รับความเมตตารวมทั้งท่านผู้ังทั้ ง, ง, งบ้านก็ได้ความเมตตาจากพระจชนเพชรบุญอภิชโนได้พิดคุยให้ฟังถึงวิธีการต่างๆตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยฉั่งสอนไว้ในกรณีที่มีวาจาที่ไม่น่าพอใจมากระทบเรานั้นเราะจะต้องทําจิตอย่างไรก็อยากจะขอความเมตตาพระเจานั่นเจ้าคะก่อนที่เราจะคุยกันต่อในเช้าวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวาจาเหมือนกัน ขอความเมตตาพระอาจารย์ไปดูได ah ้ได้ตาสรุปที่เราคุยกันเมื่อเช้าเมื่อวานนี้สักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะเผื่อว่าท่านใดไม่ได้ฟังเจ้าค่ะนิมมลเจ้าค่ะก็จะได้สรุปของเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงวาจาที่ว่าเวลาที่คุณหนึ่งเขาด่าเราว่าเราหรือมาพูดกระทบกระเทียบียดเบียนเนี่ยก็ให้ได้ทําความเข้าใจไว้ในเบื้องต้นนะว่าวาจาที่มากระทบกระเทียบเนี่ยมันก็ไม่มีทางเกิดเลยไปจาก5อย่างนี้ห้าคู่นี้ นะฮคู่นี้ก็พูดถึง10อย่างนี่คือวาจาที่จริงบ้างหรือไม่จริงบ้างนะวาจาที่ว่าพูดตามการบ้างไม่ตามการบ้างหรือเป็นวาจาที่เป็นวาจาหยาบบ้างหรือเป็นวาจาอ่อนหวานบ้างหรือบางทีก็เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงบ้างบางทีก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์หรือเรื่องไม่มีประโยชน์บ้างบางทีก็เป็นผู้พูดนี้พูดด้วยมีจิตเมตตาหรือมีจิตโทสะบ้างแต่ทั้งหมด5คู่นี้ <to> <to> เป็นวาจาที่เราจะได้ยินอยู่เป็นประจำนะเมื่อเวลาที่เขามาพูดกระทบเราด้วยวาจา5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราจะไม่มีจิตทีเ่เป็นแ ป, ปรปรวนหรือเป็นจิตที่กระทบ เ, เป็นจิตที่โกรธขึ้นมาไม่ให้มีทำไมถึงไม่ให้มนะีเพราะว่าถ้ามีแล้วเนี่ยจิตของเราจะจะเป็นจิตที่ไม่ดีเราจะมีโทษภัยเกิดขึ้นในการกระทาแบบนั้น ทำไมถึงพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าจิตที่มีโทสะเนี่ยคุณเตือนใจเวลาเราจะไปคิดอะไรจะไปทําอะไรเนี่ยมันมันติดขัดมันไปไม่ได้แตนะคนที่มีโทสะอยู่ในภายในรุ่มร้อนเครืองอยู่เรื่อยๆเนี่ยพระเชา่าเคยเปรียบเหมือนกับคนที่ป่วยแตนะคนป่วยเนี่ยจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรมันก็ไม่สบายแตนะถ้าใครเคยป่วยไปอยู่ตามโรงพยาบาล น, นอนสมอยู่เป็นอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะ กินข้าวก็ไม่อร่อยเขาเอข้าวอะไรที่มาชอบให้เรากินกับข้าวเนี่ยนะเรากินมันก็จะไม่อร่อยนะแรงก็ไม่มีจะลุกไปห้องน้ําจะไปอะไรก็ยากนะแถมเมื่อกินอะไรที่หมอให้มาก็ไม่ชอบบียกยาก็โอ้ยอย่างว่าเนาะก็จะทําให้เราป่วยนะพอจิตเราป่วยอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรมากระทบตอนนั้นเนี่ย น, นะจะมีแต่ความไม่ดีหมดเลยแตนะ่ถ้าเราตัดสินใจอะไรทําไปตอนนั้นเนี่ยจะมีความผิดพลาดได้อย่างสมมุติถ้าเราตัดสินใจลง โ, ลงโทษลูกน้อง การลงโทษนั้นก็จะเป็นการลงโทษที่หนักหรือบางทีเราตีลูกอย่างเงี้ยถ้าตีตอนที่เราโกรธเนี่ยโว้ยจะเป็นการตีหรือว่าการลงโทษลูกที่หนักจีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงจึงให้เราหนีห่างออกห่างจากความโกรธออกห่างจากความลุ่มหลงนะทั้งสองขั้วเลย2สุดโต่งตรงนี้แตนะ่เราให้อยู่ทางสายกลางทางสายกลางนี่คือไม่ใช่ว่าโกรธกลา ง, ลางๆโกรธหน่อยหน่อยหรือว่าลุ่มหลงหน่อยๆไม่ใช่นะคือหมายว่าออกจาก2 อ, อย่างนี้เลยนะห้เป็นทางเลือกที่สานั่นก็คือการเดินตาม อริยมรรคมีองคนะ์8ปดให้จิตนั้นเป็นจิตที่อยู่กลางๆสบายๆถึงจะถูกต้องถึงจะดนะีเราก็ได้ยกตัวอย่างถึงเรื่องของการทำจิตให้เหมือนกับแผ่นดินนะทำจิตให้เหมือนกับแผ่นน้ำนะเขาจะเอาไฟมาจุดน้ำเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยให้เดือดพร่านร้อนจัดไม่ได้นะเขาจะเอาแมโคโรมากุดให้แผ่นดินนี้ไม่เป็นแผ่นดินนี้ไม่ไดนะ้เป็นต้นเขาจะเอาสีมาทาให้อากาศนี้เป็นสิ่งที่มีรูปปรากฏนั้นไม่ได้ ให้เราทำจิตให้เหมือนอากาศบ้างให้ทำจิตให้เหมือนแผ่นดินบ้างให้ทาจิตให้เหมือนพื้นน้ำบ้างอย่างนี้นี่คือกรณีที่เราถูกว่าถูกดา่าทีนี้พอประเด็นที่จะพูดถึงในวันนี้นก็คือว่าถ้าเราเจอคนที่เขาแหมทำไม่ดีอย่างมากเลยเป็นคนที่ไม่ดีเราจะดา่าเราจะว่าเขาได้ไห ม, มคุณตื่นใจว่ า, างไงยมคิดว่าถ้าตอบแบบชาวบ้านนะเจ้าค่ะก็จะต้องบอกว่า เรามีสิทธิ์ที่จะตอบโต้เจ้าคะ่ะแต่ว่าถ้าทางธทำแล้วเนี่ยที่องค์พระธรรมสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้เนี่ยท่านทรงสัส่งสอนที่จะให้เราตอบกลับคาําด่าคําว่าเหล่านั้นเนี่ยในทางใดบ้างเจ้าคะ่ะก็กลับนักมาตการถามเลยนะะอันนี้เราจะพูดถึงการตอบโต้ก่อนนะนะ ว, วันนี้จะพูดถึงสองประเด็นนี้คือว่าถ้าเราเราถูกเขาด่าเขาว่างี้เราจะตอบโต้อย่างไงถึงจะถูกต้องตามธรรมนี่คือประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองเนี่ยก็คือว่าถ้า เราเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยเราจะเราจะบอกเขายังไงเราจะสอนเขายังไงหรือเราจะตอบโต้เขายังไงนี่คือกรณีที่เราถูกดา่าเราจะตอบโต้อย่างไงก่อนนะอันอันแรกนะคือถ้าผื่อว่าเราต้องพูดถึงเรื่องจิตก่อนคือเวลาที่เรารับรู้ถึงคําด่าคําว่าหรือคําชมพวกเนี้มันจะไหลามาโดนที่จิตของเราก่อนใช่ไหมทีนี้ก่อนที่ปากเราจะขยับก่อนที่เรามือเราจะขยับเนี่ยจิตของเราจะจะรับรู้จิตของเราจะขยับก่อนการขยับของจิตตรงนี้คือการปรุงแต่งของจิต การปรุงแต่งของจิตตรงนี้มันมีกระบวนการอย่างนี้ว่าพอเรามีภาษสเกิดขึ้นเนี่ยพอมีภาษาแล้วนั้นจิตของเราจะรับรู้แล้วว่าเฮ้ยนี่มันคําด่านี่น่ะหรือเอ้ยนี่มันคําชมนี่น่ะเอามันชมแม่เรานี่น่ะหรือมันด่าแม่เรานี่ยหน่าอย่างนี้นะเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกคืออันนี้คือเรียกว่าสัญญาความหมายรู้แลนะพอมีความหมายรู้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตามสิ่งนั้น โอ้นี่เขาชมเราแหมดีจังเลยเราก็จะรู้สึกมีความรู้สึกที่เป็นสุขลื้มเลยนะอ่ะปะาปลื้มเลยท<ๆ>ีนี้พอเขาด่าแม่เราเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ละนะเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นเป็นลบเป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนาอ่าทีนี้พระเจ้ า, าบอกงี้บอกว่าถ้าเธอมีความลุ่มห ล, ลงมัวเมานนั้นในกรณีของความสุขไหลไปตามเลยโหลอยเลยนะเธอจะจอจะไม่รู้ว่าไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริง แต่ถ้าแล้วในทางตรงกันข้ามถ้าเธอมีความรู้สึกที่กราฟัดกระฟียดโกรธแค้นโกรธเคืองเธอก็จะไม่รู้ว่าไอวาจาที่เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงเรื่องที่เขาพูดมาเนี่ยข้อที่จริงที่เขาพูดมาอาจจะเป็นจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้เราจะเราจะไม่ทราบเพราะว่าเราถูกบดบังด้วยคลื่นหมอกของความลุ่มหลงหรือว่าคลื่นหมอกของความโกรธอยู่แล้วเข้าใจไหมคือคือจิตของเราเนี่ยการรับรู้ของเราจะไม่บริสุทธิ์ถ้าถูกปิดบังด้วยเจ้าคลื่นหมอกพวกนี้ ผู้เช่าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบของอดวงจันทร์ถ้าใครเห็นดวงดวงจันทร์ในที่ผ่านมาคืนพระจันทร์เต็มดวงนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีพระจันทร์ยิ้มใช่ไหมว่าพระจันทร์เนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่มีที่บดบังเนี่ยคืนจันทร์เต็มดวงเนี่ยเราจะเห็นพระจันทร์สว่างมากเลยลเป็นสิ่งที่สว่างมากในในคืนตอนกนลางคืนแล้วสิ่งที่จะมาทําให้ดวงจันทร์เศร้ามองได้เนี่ยมีอยู่5้าอย่างก็คื อ, อหมอก น้ำหมอกอันนี้อันที่1 ห, หรือว่าหมอกตอนกลางคืนก็มีนะหรืออย่างที่2เป็นควันหรืออย่างที่3เป็นเมฆอย่างที่4ี่ก็เป็นราหูเป็นจันทราคาตนะ์อ่ะนะแล้วยังที่5ก็คือผู้ที่มีฤทธิ์มาบรรดาลให้มันมันบังไปให้มันหายไปแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มาบางังเนี่ยดวงจันทร์ก็จะเป็นจริงที่ใสสว่างจิตของเราเหมือนกันคุณเตินใจพระเจ้าเคยบอกว่าจิตของเราเนี่ย ถ้าเผื่อว่ามีเรื่องมากางกัน้นทําให้จิตของเราจะเศร้าหมองจิตของเราจะไม่มีกําลังในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้เราจะไม่เห็นว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงไม่จริงมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันมีข้อมูลจริงหรือเท็จขนาดไหนเราจะไม่รู้ถ้าจิตของเราถูกมัวเมาด้วยความลุ่มหลงกําหนัดเพลิดเพลินไปนะหรือว่าถูกจิตของเราถูกครอบงําด้วยความกโกรธความขับแค้นความเราร้อน นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้ามีใครมาติเตียนพระพุทธเจา้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์เธออย่าทําจิตให้เธอเธออยากให้จิตของเธอเนี่ยมีความคับแคลนเร่าร้อนนะเดือดร้อนอย่าเป็นเดือด ร, ร้อนไปอย่างนั้นหรือถ้าเคยมีใครมายกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอก็อย่าลุ่มหลงมัวเมามีความตื่นเต้นแห่งจิตอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วทํำยังไงเราจะ เราจะตอบสนองต่อไปอยังไงทางวาจานี่คือทางใจก่อนนะคุณเตืนใจขั้นแรกเนี่ยใจของเราเนี่ยต้องให้เป็นใจที่นิ่งก่อนอย่าให้เป็นใจที่ลอยขึ้นไปตามความชมหรือว่าโกรธควันขึ้นไปตามความด่านะอย่าให้เป็นอย่า ง, งานั้นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะจิตของเราต้องเป็นอย่างนั้นก่อนนะจิตของเราต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วทางวาจาเราจะตอบเขายังไงดีเราจะตอบเขายังไงดีแลทีนี้มันเป็นกรณีไปกรณีไปอย่างสมมติว่าคนพูดเนี่ยนะเป็นคนพาลคนพาลเนี่ยเออ คือต่อให้เราทําดีขนาดไหนมันก็หาเรื่องด่าเรานะคนพาณ น, นะะเพราะฉะนั้นคนพาณนินวิธีการที่จะกีดกันคนบาณเนี่ยพุทธเจ้าบอกแล้วคือให้อดทนอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปพูดกับมันเลยอย่าไปสนใจมันคือเหมือนมันไม่มีตัวตนเหมือนมันเป็นคนไม่มีตัวตนช่างหัวหมั่นเอาไว้อย่างนั้นเถอะจิตของเราไม่ไม่เดือดร้อนแล้วนะถ้าคนคนนั้นเป็นคนพาณคุณอย่าอย่าไปยุ่งกับเขาให้อดทนไวกนะ้การอดทนต่อคนพาณเนี่ยชื่อว่าคนพาณ น, นั้นถูกลงโทษแล้วคนระับ ถูกลงอัดยาแล้วอือเจ้าค่ะผู้ช า, าบอกอย่างนี้นะถ้าเราอดทนต่อคน่านคนพานนั้นถูกเราอัดเรียบร้อยแล้วเราอัดมันกลับเราตอบโต้มันกลับด้วยการอดทนคนพานนะอือเจ้าค่ะ อ, อันนี้อาจจะมองว่าคนพานินั้นเวลาเขามามาหาเรื่องเราเลยใช่ใชสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือเราต้องตอบโต้เขาใชา่เราจะได้สะใจใช่ไหมใช่ใช่ที น, นี้พอเราไม่ตอบโต้เลยนี่ก็เหมือนกับเรา ตอบโต้เขาด้วยความเงียบเขาก็าอาจจะโมโหยิ่งขึ้นไปอีกอหรือว่าหนีไป <c oughs> หรือว่ามันเป็น ไ, ได้หลายอย่างนะคนผ่านขั้นเดายากถ้าคนนั้นเป็ น, นคนพาน น, น, น, นะแต่ถ้าคนนั้นเป็นบัณฑิตถ้าคนนั้นเะป็นบัณฑิตเราก็นิ่งด้วยนิ่งดูก่อนว่าท่านจะพูดไงต่อนะหรือว่าเราก็ชี้แจงเรื่องจริงโดยความเป็นเรื่องจริงชี้แจงเรื่องที่ไม่จริงโดยความเป็นเะรื่องที่ไม่จริงหมายความว่าถ้าเรามีโอกาสพูดนะเราก็พูดได้ ว่าอ๋อสิ่งนี้สิ่งนี้มีในพวกเราสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ในพวกเราแตถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแตถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราก็บอกว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีในเราสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นในพวกเราบอกอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้กรณีของคนที่เป็นบัณฑิตแล้วเรามีโอกาสพูดถ้าเราไม่มีโอกาสพูดก็ก็นิ่งไว้เจ้าค่ะเข้าใจเนาะอ่านิ่งเสียตําลึงทองนะเจ้าค่ะใช่หรืออย่างที่เขาพูดกันว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช่คือคนนิ่งเนี่ยนะ คุณเดินใจคนอื่นๆเนี่ยมักจะเข้าใจว่านิ่งเพราะว่าโง่หรือว่านิ่งเพราะว่าไม่มีปัญญาตอบโต้แต่ว่าในในธรรมวินัยนี้ในคําสอนพระเจ้าเนี่ยผู้นิ่งเนี่ยคือผู้ที่ฉลาดเพราะฉลาดคุณจึงนิ่งอืเพราะคุณเพราะคุณมีปัญญาในการที่จะไม่ตอบโต้มีปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงมีปัญญารู้ตามที่เป็นจริงว่าตอบโต้ไปมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยไปตื่นเต้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่มันก็หมดไปดับไปเองเนี่ยมีปัญญาจริงๆคุณจึงนิ่งอยู่ได้ อืมพอถ้าเรานิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยบางทีนิ่งแล้วมันจะดีกว่าเลยอนยะ่างสมมติระหว่างสามีภรรยาเงี้ยหุ้ยประจําเลยคือคือถ้าภรรยาพูดอะไรขึ้นมาสามีจะไปตอบโต้หรือสามีพูดอะไรขึ้นมาภรรยาจะไปตอบโต้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องกันละมันจะไม่จบละจุดค่ะบางทีเป็นเดือนกว่าจะจบได้สามีภรรยาตอความยาวสาวความยืดอ่าอใช่เนะพราะนิ่งไปดีกว่าเขาพูดอะไรก็ให้เขาพูดไปเถอะล้วก็นิ่งฟังยิ้มสบายใจ ปล่อยวางนะเจ้าค่ะอธิบายว่าคือปล่อยวางด้วยปัญญาคนจะปล่อยวางได้ต้องมีปัญญาในคุณจใจเจ้ค่ะคุณจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้นี่พูดไปก็เท่านั้นแหละเขาเขพูดอย่างนั้นเองเราก็ฟังไว้แตนะ่เขาชมเราแล้วก็ก็ดีกัสาธุเขาด่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็อดทนไปอย่างนี้เราก็จะเป็นผู้เห็นอย่างเงี้ยเป็นผู้มีปัญญาจริงๆอ่ะอ๋อเจ้าค่ะอืมก็คืออดทนแล้วก็แผ่เมตตาไปใช่ไหมเรายกคิดว่าเออโยมคิดว่านะเจ้าคะว่า การที่เราจะาสามารถนิ่งไม่ได้เนี่ยเจ้าค่ะคือแล้วก็แผ่ไม่ตาให้เขาได้เนี่ยอดทนอยู่ได้เนี่ยยมคิดว่าต้องเกิดขึ้นจากจิตของเราจริงๆอะเจ้าค<ช>่ะที่เราวางได้จริงๆ<ช>เพราะถ้าวางไม่ได้จริงๆนี่มันก็ยังร้อนรุ่มอยู่ในใจนะเจ้าค่ะบางคนเนี่ยแบบข้ามวันข้า ม, ามคืนก็ยังนึกเรื่องนี้<ช>อยู่นะมีหลายๆกรณีเลยกรณีที่ยกตัวอย่างให้ฟังก็มีลูกศิษย์เนี่ยแหละที่เขามาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอนงค์โสกเนี่ย เขาก็นึกถึงคําด่าที่ที่หัวหน้าเขาเคยด่าเขาไว้นานๆแล้วตั้งแต่จนกระทั่งก่อนที่เขาเกษียณด้วยเพราะด่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็นึกถึงอยู่นั่นแหละแต่พอเขามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะเขาเขาปล่อยวางเรื่องต่างๆที่ผ่านมาได้แต่ทำให้หน้าตาเขาจากที่หน้านิ้วคิ้วขมัวอยู่เรื่อยๆเป็นคนเจ้าทุกเป็นเดือดเป็นร้อนเป็นคนจี๊จ๊าดเนี่ยนะก็เย็นขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยพอเขาเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียว นะคือเมืออะไรที่อัดอั้นไว้มันก็ปลดปล่อยออกมาทางใจมันก็สบายขึ้นวางขึ้นวางลงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมาคิดว่ า, เ, าเราเราให้ทําตามกระบวนการของธรรมะนะคือตอบโต้เนี่ยพรุทธเจ้าเคยเคยพูดถึงกระบวนการการตอบโต้ว่าเราให้ตอบโต้ด้วยการอดทนนะด้วยความมีเมตตานะเราเราจะตอบโต้เขาเนี่ยทันที่จราจราเจดจาก็กลับนะเรามีเมตตาเขากลับ เรามีความอดทนเรามีเมตตาเรามีความรักใครดด่เอนดูเราไม่เบียดเบียนเขาอันเนี้ยเราก็ปลอดภยัยเขาก็ปลอดภัยืมดีดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะจ<ช>๊ ะ, ะเพราะเพราะว่าเวลาที่เราตอบโต้ด้วยความอดทนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะ<ๆ>เขาก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราตอบโต้ด้วยคาําด่าด้วยพระรุษวา่าด้วยคำหยาบอย่างเงี้ยคนที่เดือดร้อนนี่คือตัวเราเขาก็เดือดร้อนด้วยนะคื อ, อยังระเบิดอย่างเงี้ ตัวคนที่โดนระเบิดมันก็ตายไปด้วยะตัวเราอยู่ที่นั่นก็ตายด้วยนะแต่วิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยคือเราเราหนีออกมาเราไม่เป็นไรเข้าใจไหมเพราะเราเราจะไม่ถูกระเบิดระเบิดไม่ต้องจุดเราเดินหนีออกมาเราอยู่ไกลๆคนนั้นก็สบายแล้วของเหม็นก็มาไม่ถึงเราคือในกรณีของคนพานคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเข้าไปคือคนพานเนี่ยมันก็จะไปหาเรื่องคนที่เขาหาเรื่องได้ก็ให้มันไปทางอื่นของมันซะเราเราก็ไม่โกรธเกลียดเครียดแค้นเขาด้วย เพราะถ้าเรากดเกลียดแค้นเขาเนี่ยจะเป็นตัวดึงคนพาณ น, นะคือพระพุทธเจ้าเคยบอกอย่างนี้คุณเตือนใจว่าถ้าถ้าคุณเป็นคนมักโกรธเนี่ยคุณจะดึงคนที่มักโกรธมาหาคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มักโกรธอันนี้จะเป็นเครื่องป้องกันคนที่มักโกรธ ย, ต<อ>ยกตัวอย่างคนที่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยคนที่ฆ่าสัตว์เนี่ยคนที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เนี่ยจะสามารถกีดกันคนที่มักจะฆ่าสัตว์มาหาตัวเองได้เข้าใจเนาะ จัดกันได้ยังไงเจ้าคะก็คือว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไอคนที่มาฆ่าสัตว์เนี่ยเขาสมมติเราชอบไปตกปลาอย่างเงี้ยก็เราไม่ตกปลาเราไม่ฆ่าสัตว์อ่ะเขาก็จะไม่มาชวนเราไปตกปลาเพราะเราไม่ทํำเขาก็จะไม่มาหาเราอออคย่างคนที่พูดโกหกอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่พูดโกหกเนี่ยไอคนพูดโกหกเนี่ยมันจะไม่มาหาเราไม่มาหาเราอจ้าค่ะหรือคนพูดเพิเจอร์อย่างเงี้ยถ้าเราไม่พูดเพิเจอร์กับเขาเขาจะไม่มาหาเราแล้วเจ้าค่ะเขาไม่มีเพื่อนที่คอยพูดเพิเจอร์หรือว่าใช่ด้วยกันใช่ เพราะฉะนั้นเราไม่เบียดเบียนใครนะเราไม่เป็นคนบานพวกคนผ่านจะไม่มาหาเราเราจะกีดกันคนผ่านด้วยวิธีนี้นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าใช้ชื่อว่า เ, อาเป็นทำเครื่องขูดกล่าวขูดกล่าวตัวเองคนอื่นเขาเป็นคนพานใช่ไหมคนอื่นเขาด่าว่ากันใช่ไหมฉันจะไม่ด่าฉันจะไม่ว่าฉันจะไม่เป็นคนผ่านฉันจะเป็นอย่างนี้ขูดกล่าวตัวเองแล้วพอเราขูดกลาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้พวกแบบนั้นเนี่ยจะไม่มาหาเรา <S <S N ๆๆอันนี้เป็นเรื่องของกรรมจริงๆนะ สมมติคนที่ชอบบียเบียนคนอื่นเนี่ยเบียดเบียนขโมยคดโกงช่อลาดบังหลวงแล้วก็ยักยอกของจิตเขาเป็นอย่างนี้จิตเขามีธรรมชาติอย่างนี้จิตเขามีอสุวะอย่างนี้เขาอบรมจิตเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่เขาจะได้รับคืออะไรคุณเดินใจรู้ไเขาต่อต่อไปเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในสภาวะที่เป็นอย่างนี้สภาวะอะไรที่มักจะมีการเบียดเบียนอยู่เป็นประจำยักยอกกันเป็นประจําขโมยอยู่เป็นประจําก็สัตย์เดรัจฉานไง สัตเดรัจฉานเนี่ยมักจะเบียดเบียนกันอยู่สัตว์มีกําลังมากเบียดเบียนสัตว์มีกำลังน้อยคนมีเงินมากแกล้งคนมีเงินน้อยคนมีอํานาจมากแกล้งคนมีอํานาจน้อยพวกเนี้ยไปนู่นเลยสัตเดรัจฉานเขาจะอยู่ในสภาวะภพนะที่มีลักษณะของความเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเรามีจิตแบบเบียดเบียนการโกรธเราก็ต้องระวังด้วยนะว่าตัวเราเองจะได้ไปอยู่ในภพที่มีสภาวะแบบนั้นอยู่เรื่อยๆนะถ้าเราอบรมจิตของเราให้เป็นอย่างนั้น ออันนี้ร้ายแรงมากเป็นการกักขังตัวเองที่เผ็ดร้อนเจ็บแสบทารุณกว่าการกักขังในในที่ไหนหๆทั้งสิ้นเลยอย่างคุกบางขวางเรือนจําไหนไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ขังเราแค่พบเดียวชาติเดียวแต่ถ้าคุณไปอยู่ในพบที่มีการกักขังกันแบบเนี้ยอย่างสัตวน์นรกก็ตามสัตว์เดริชานก็ตามเนี่ยการกักขังตรงนี้เป็นข้ามพบข้ามชาติเป็นหลายๆร้อยชาติเลยค่ะยาวนานมากทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราทรงจิต ของเราให้ให้ไปอยู่ในแดนลบเนี่ยเป็นดินแดนที่คิดบิดเบียน เ, เขาคิดอาฆาตเขาคิดไม่ดีกับเขานะเรามีความเสี่ยงแล้วว่าเราจะไปอยู่ในภพที่เป็นลักษณะอย่างนั้นจ้าค่ะอืมดังนั้นทางที่ดีก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงชะคือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอย่างนั้นนะเจ้าคะก็คือไม่ไม่ไปมั่วสุมไม่ไปสมาคมด้วย อ, อันนี้จะทำให้เราเอ่อพ้นจาก คนพวกนั้นมาได้<ช>แล้วเขาเองก็จะเหมือนกับกีดการเขาไม่ให้มายุ่งกับเราด้วยว่าเราไม่ได้มีอุปนิสัยหรือพฤติกรรมเป็นแบบเขาใช่ไหมเจ้ า, <ช>าคะ ท, ท, ทีนี้ประเด็นตรงนี้เรก็คงจะเข้าใจว่าออคือถ้าเราไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับเราทีนี้ประเด็น<ช>คือเขามายุ่งกับเราไง <S <S <S เขามายุ่งกับเรางเช่นว่าเขาด่าเราเขาว่าเราก็อย่างที่ว่าไปนะว่าเราต้องอดทนนะเราจะไม่ตอบโต้คนผ่านด้วยการด่ก า, รดากลับว่ากลับนะเราจะตอบโต้คนผ่านด้วยการอดทน นะ่ะต่อให้เขามาขับรถปาดหน้าเราจริงๆนะเราก็ไม่ด่าเขามีจังหวะก็ให้มีจังหวะถ้ามีจังหวะ ด, ดีเราจะไม่ให้ก็ได้ไม่ว่าอะไร <Okay. S 1> ะแต่ว่าเราจะไม่ด่าใครไม่ว่าใครจะมีอดทนจะไม่เบียดเบียนเขาอย่างนี้นะเจ้าค่ะค่ะถ้า ถ, ถ, ถ้าเราทรงจิตยอย่างนี้ได้คุณตื่นใจเอ้ยประเทศชาติบ้านเมืองเราจะสงบสุขมากๆทีเดียวละ่ะเจ้าค่ะอืมจะสงบสุขมากๆทีเดียวใช่เจ้าค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าถ้าเราจะพูดก็คือคนที่รับผิดชอบอในงานใหญ่ๆของประเทศหรือว่าของบริษัท ต, ตัวหรือว่าหน่วยงานของตัวเองก็ตามเนี่ยเจ้าค่ะส่วนใหญ่ก็ยังยังเป็นอยู่ในฝ่ายลงเอยเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายบวกหรือเป็นน้ำน้อยเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะเมตตาที่จะหยุดยกประเด็นของธรรมะข้อใดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามา ที่จะทําให้เราได้พอผ่อนคลายแล้วก็ทําให้สังคมมันดีขึ้นได้บ้างไหมเจ้าคะ่ะนิมนเจ้าค่ะให้ตั้งมั่นในความดีมาจะบอกนี่นะ <c oughs> คือใน <c oughs> ในสังคมบางทีเราอยู่ในเพื่อนร่วมงานเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาเป็นอย่างนี้หมดเลยเขาโกงกันหมดเลยทั้งทั้งสำนักงาน <c oughs> หรือว่าเขาเขาพูดจาแบบนี้กันหมดทั้งสำนักงานเลยเราจะทำยังไงเราจะกลายเป็นตัวประหลาดอยู่ในที่ทํางานได้ไหมอย่างเงี้ยก็ต้องยืนยันตรงนี้นั่งยันเลยว่าต้องทําอย่างนั้นเราต้องอยู่ในมัดเขาจะด่าจะว่าเราไงก็แล้วแต่นะ นะจะใครจะด่าว่าเธอโง่ให้เขาโขเขาสับเป็นบักเป็นปลาไม่ใช่เราเป็นคนมีปัญญาเราอดทนอยู่ในภายในเราไม่ด่าใครไม่ว่าใครเร า, าเป็นผู้ไม่มีโทสะในภายในจิตเราไม่แปรป ร, รวนอย่างเราเนี่ยช่อวาชลาดนะเธอจะต้องคิดอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเธอต้องหาเพื่อนดีคือต้องหากลุ่มคนที่ดีที่ว่าเป็นเหมือนกันนะคอยเป็นเพื่อนให้กาลังใจถ้าไม่มีฟังรายการธรรมะรุน่น อนะย่างน้อยคุณเตือนใจก็เป็นคุณปัญญาชมจำปีคณะทีมงานเราก็ยังเป็นคนดีนะเป็นข้อมูลดีๆจากผู้รู้เจ้าให้คุณฟังอยู่ให้คุณมีกําลังใจในการปฏิบัตินะอย่าให้ไหลไปตามกระแสธรรมะของผู้เช่าเป็นเครื่องทุนกระแสคุณเตือนใจนะเขามาไงเราทุนกระแสนะฉันจะทําดีทุบโตะไปเลยเราก็ทําดีไปเลยนะไม่ต้องสนใจใครเพราะว่ามันมันช่วยกันไม่ได้คุณเตือนใจเวลาที่เราจะไปในโลกหน้าเนี่ย<ช>ต่อให้เขามีเครื่องรางของขลังขนาดไหนนะ ถ้าผัวมันไม่เป็นไปตามธรรมนะช่วยเขาไม่ได้แต่เขายังเอาไปไม่ได้เลยไอ้สร้อยคอที่ข้ออยู่ที่คอเขาน่เนี่ยหรือยันแผ่นไหนก็แล้วแต่แะถ้ากรรมเขาไม่ดีมันไม่มีทางที่เขาจะไปดีได้แต่ถ้าเรากรรมดีเราดีได้สิ่งที่เขาพยายามทําคือชักชวนเราไปแะถ้าเขาจะเป็นคนไม่ดีเขาจะชักชวนเราไปไม่ดีถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในความดีได้เราจะทําไงเราต้องหาเพื่อนดีต้องหาคนช่วยแต่ต้องมีกําลังคนช่วยตรงนี้ก็คือว่าหาคนดีอ่ะแล้วคนในออฟฟิสมันไม่ดีเลยไม่มีสักคนเดียวคนดีในโลกนี้หาไม่ได้เลยนะ ให้คุณไปคนเดียวเลยพระู้เจ้ายกตัวอย่างช้างมาตังคะช้างมาตังคะเนี่ยไปตัวเดียวไปไหนไปตัวเดียวเนะเพราะความที่ต้องการอยู่สันโดษไม่ยุ่งกับช้างตัวอื่นๆเพราะว่าช้างตัวอื่นนี่มันมาทำให้กิ่งไม้หักทำน้ำคุณทำอะไรก็ไม่เรียบร้อยก็เลยอยู่ตัวเดียวดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นเขาไม่ดีหมดทั้งโลกเลยฉันจะขอดีอยู่คนเดียวก็อาก็ทาก็เป็นคือยืนหยัดอยู่ในความดีนะเจ้าค่ะใช่ เราเป็นคนดีเดี๋ยวไปไหนไม่เสียหายนะเขาจะมากล่าวหาตามธรรมไม่ได้เลยก็จะมาหาว่าเฮ้ยเธอฆ่าสัตว์ก็เราไม่ได้ฆ่าเขาจะมาเยาะเย้ยว่าเฮ้ยเธอไม่ฆ่าสัตว์ก็ดีนี่ใช่ไหมเราไม่ฆ่าสัตว์นึกออกไหมอ่าเฮ้ยเธอไม่ด่ากันก็จะไม่ได้ด่ากันก็ดีแล้วเขาเธอทำไมไม่ด่ากันเป็นคนไม่ดีเขากล่าวหาเราอย่างนั้นไม่ได้ก็คือเขาไม่สามารถที่จะมากล่าวหาเราหรือโจทเราในเรื่องอะไรได้เลย เพราะว่าเรายินยอมอยู่ในความดีนะเจ้าคะถูกต้องถูกต้องอันนี้อาตมาจะต้องย้ําเป็นร้อยร้พันพนครั้งว่าเราต้องตั้งมั่นในความดีอย่างไรก็ตามนักคิดดูพระรูชาเราคุณเตือนใจตอนนั้นไปทําความเพียรอยู่ในป่าอาตมาคิดถึงเหตุการณ์นี้อยู่ตอลอดเวลาเนีเป็นการให้กําลังใจตัวเองนะว่าถ้าถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขาแหมแบบทิมแทงกันว่ากันเราจะอดทนอยู่ได้ไหมเนี่ยเรามานึกถึงตัวอย่างพระรูชาตรงนี้ที่ว่าถูกเด็กเลี้ยงควายอ่ะ เขามาตามควายตามวัว ก, กับข้อก่ะ<ด>เขามาเจอพระรู้านอนอยู่กับวัวควายที่หนีออกมาก็คิดว่าพระรูชาของเราคือตอนนั้นเป็นบริษัทอยู่นะมาขโมยวัวขโมยควายไปก็เลยเอาไม้มาทิ่หมหูแล้วก็ปัสสาวะใส่พระรูชาของเรานะตอนนั้นเป็นบริษัทอยู่ยังไม่บรรลุเป็นพระอรนันไม่มีจิตความโกรธเคืองแม้สักนิดหนึ่งในเด็กพวกนั้นด้วยหวังอะไรหวังสัมมสัมพุทธิยานหวังความที่จิตที่จะสูงส่งในการที่จะตรัสรุปในการที่จะเป็นคนดีที่สุดนะจึงไม่โกรธเด็กพวกนั้น เพา่อนถ้าเราตั้งความพอใจไว้ในความที่เราจะเป็นคนดีนี่อรอไหมไอ้ความไม่ดีเขาจะชักชวนเรายัางไงเขาจะดาออ่าเราย่งไรแต่เราไม่สนเราไม่ทำเราไม่ว่าต่อให้เขาปัสสาวะใส่เราต่อให้เขาเอาไม้มาทิ่หมหูเราเขาเอาตะคอกใส่หูจนน้าลายมันเข้าไปในหูเราเราก็ไม่ว่าค่ะก็คือยัง มีเมตตาอยู่ได้และมีเมตตาอยู่ตลอดเจ้าค่ะขอร้องเลยขอร้องเลยรู้ฟังหลายเจ้าค่ะก็เหลือเวลาอยู่อีกประมาณ3นาทีนะเจ้าค่ะสำหรับช้าวันอาทิตย์นี้อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพฑูรย์หรือพี่ปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะสรุปฝากคําแนะนําดีๆเป็นการปิดท้ายรายการในช้าวันนี้เจ้าค่ะพลิจจารตรอย่างนี้คนแล้วก็เป็นสิ่งที่ พี่น้องประชาชนเราพุทธศาสนิกชนจะได้รับไปปฏิบัตินะคะน<ะ>ิมนต์จบจะจบด้วยพุทธวจนะตรงนี้เลยน ะ, ะพระเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อเธอถูกเขาทําอย่างไรก็ตามนะจิตของเธอจะต้องไม่แปรป ร, รวนนะต้องสำเหนียกใจไว้ว่าจิตของเราจะไม่แปรป ร, รวนเราจะไม่กล่าววาจาอันเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่คือมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคล น, นั้นอยู่ และจะมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาอันเป็นจิตภัยบูญใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ดังนี้คิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็จะได้ประโยชน์จากรายการธรรมาราลุนในช่วงสาร์อาทิตย์นี้มากให้เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความดีอย่างนี้ให้ได้นะทำต่อไปให้ได้ให้มีกําลังใจแลนะทางรายการธรรมาราลุนมีคุณเตือนใจกับธรรมาพระภัยบูญเนี่ยเป็นกําลังใจให้นะอยู่ตลอดเวล า, านี่แหละ ทุกเจาคก็หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะที่ตามรับฟังรายการธรรมารัป ร, รุณของเราทั้งในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้นะคะคงจะได้แง่คิดแล้วก็วิธีปฏิบัติอย่างดียิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดํารงตนอยู่ในสังคมในขณะนี้ที่มีการแข่งแย่งมีการใส่ร้ายป้ายสีกันเยอะ หรือว่ามีการพูดวาจาที่เสียดแทงจิตใจหรือทำให้เราเจ็บช้ำได้อยู่เสมอๆนะคะเดเชื่อมันว่าถ้าท่านผู้ฟังทุกท่านน้อมนำเอาพุทธวจนะและคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่ท่านพระอาจารย์ไพบุญอภีพโนโดได้สากขะามาทั้งสองวันนี้ก็คงจะทำให้เรา เป็นผู้ที่มีจิตสงบมีสติอยู่เสมอแล้วก็เป็นสุขอยู่ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งชั่วงชีวิตของเรานะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วคะ่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบน้ัสการลาพระอาจารย์ไทยบุญเดชพุโ น, โนท่านพระอาจารย์ผู้มือการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหรีกเล้นตามพุทธพจนะของ อ, องค์พระจัมาะสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนไหโุกตําบลดอนไหสุกอำเภอหนองหานจังหวัด อ, อุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสอาดที่ทุพสูท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้เปี่ยมด้วยเมตายิ่งของวัดป่าดอนไหสุกค่ะก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในช่วงของการฉาขกกันฉาเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสําหรับตัวดิฉันแต่ว่าสําหรับท่านผู้ฟังก็ยังพบกับท่านพระอาจารย์พิบูลย์ิโกโนในเช้าวันพรุ่งนี้เหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับเช้าวันนี้กราบนะมนสกาลานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเตมพานสาธุเจ้าค่ะ